จนแม้เขาวาภาพศา ส, สนาพุทธไว้มันมีสองค่ายค่ายหนึ่งก็เป็นเรื่องสมาธิชับนั่งสมาธิคิดว่าศาสนาพุทธคือการนั่งสมาธิอีกพวกหนึ่งก็เป็นนักคิดนักปรารถนความรอบรู้เรียนมาเยอะศึกษาแล้วจะเปรียบเทียบเปรียบเทียบคําสอนต่างๆเข้าด้วยกัน การศึกษาเปรียบเทียบไม่ใช่วิธีการของชาวพุทธวิธีการของชาวพุทธก็ไม่ใช่นั่งสมาธินิ่งๆด้วยวิธีที่ให้เกิดปัญญาของชาวพุทธคือการเข้าไปเห็นเข้าไปประจักษ์ความเป็นจริงไม่ใช่คิดเอาแต่เข้าไปเห็นความจริงไม่ใช่ทาใจให้นิ่ง ทำใจให้นิ่งก็ไม่เห็นความจริงชิดเอาก็ไม่เห็นความจริงดังวิธีการที่พระพุทธเจ้าสอนเรานะการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะคือการเข้าไปเห็นสภาวะสิ่งที่เรียกว่าสภาวะคือรูปกับนามถ้าเห็นรูปเห็นนามยังไม่พอต้องเห็นความจริงของรูปของนามถึงจะเป็นวิปัสสนา ปสสนาาการเห็นมีวิอยู่ตัวหนึ่งแปลว่าอะไรรู้แจ้งเห็นแจ้งตามความเป็นจริงเข้าไปเห็นเข้าไปเห็นเห็นอย่างชัดแจ้งเห็นแจ้งคือเห็นอะไรเห็นใตรักเพราะความจริงของรูปนามก็คือตัวใจรักนั่นเอง ลำพังเห็นรูปเห็นนามไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานนะอย่างบอกเห็นท้องพองเห็นท้องยุบนั่นแค่การเห็นเห็นอะไรเห็นตัวสภาวะเห็นท้องพองท้องยุบเห็นรูปไม่มีคําว่าวิวิคือเห็นแจ้งเห็นตรงตามความเป็นจริงเห็นอย่างยอดเยี่ยมเลยเห็นไตรลักษณ เพราะฉะนั้นการจะเข้าถึงปัญญาในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเข้าไปด้วยการเห็นไม่ใช่ด้วยการทำใจให้สงบไม่ใช่ด้วยการคิดตรึกตรองเปรียบเทียบวิเคราะห์วิจัยวิจารน์พวกเรามีโอกาสนะโอกาสได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าจริงๆเราไปลงมือปฏิบัติ วเราเห็นผลด้วยตัวของเราเองจริงๆชีวิตของเราเปลี่ยนจริงๆใครรู้สึกบ้างว่าชีวิตเราเปลี่ยนได้รู้สึกไหมจิตใจเราเปลี่ยนเะื่าจิตใจเราเปลี่ยนความนึกคิดเราก็เปลี่ยนเมื่อความนึกคิดของเราเปลี่ยนพฤติกรรมของเราก็เปลี่ยนเราเคยหลงโลกเราก็เข้าใจโลกมันก็ไม่หลงกับมัน อาศัยการเห็นตามความเป็นจริงเห็นรูปนามกายใจทำไมมันดูของตัวเองเในความเป็นจริงแล้วทุกทนกคนรู้สึกว่าตัวเองคือศูนย์กลางของโลกศูนย์กลางของจักรวาลเมื่อเรามาเห็นความจริงของตัวศูนย์กลางตัวเรานี่เองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราตัวเราคือรูปนามเ่เราเห็นตามความเป็นจริงเกิดความเข้าใจ ความรู้ถูกความเข้าใจถูกเมื่อความรู้ถูกความเข้าใจถูกเกิดขึ้นความคิดก็ถูกความคิดถูกนะการกระทำก็ถูกเราจะอยู่กับโลกโลกเขาก็ทุกข์ของโลกเขานะแต่เราไม่ทุกข์กับโลกหรอกแต่อยู่แล้วสังเวชนะอยู่แล้วสลดสังเวชมากเลยยังเห็นรูป คนไปงานสงกรานคนไปเลยเห็นละสังเวชมากกว่าไปรวมฝูงกันเหมือนปลาฝูงใหญ่ๆว้ายวนไปบนมามันไม่มีสติมีปัญญาอะไรเลยมันไม่ได้ชาวพุทธหรอกชาวพุทธนจะสูญพันธ์อยู่แล้วนะเรายังไม่รู้ตัวกันมันเป็นพุทธแต่เปลือกถ้าเราไม่สามารถ ศึกษาปฏิบัติธรรมเอาธรรมะเข้ามาสู่ใจของเราได้อย่างแท้จริงเรายังไม่ใช่ชาวพุทธที่แท้จริงหรอกเราเป็นพุทธแต่ชื่อเราต้องเรียนวิธีที่เราจะเห็นรูปนามตามความเป็นจริงถ้าสิ่งนี้หายไปไม่นานศาสนาพุทธก็หายไปในภาพปริยัติเขาบอกว่าพูดถึงการอันตรฐานการสูญไปของพระพุทธศาสนา บอว่าศูนย์ไปจกนกระทั่งสุดท้ายนะไม่มีใครจรําธรรมะได้สักประโยคเดียวถึงจะเรียกว่าศูนย์จําประโยคเดียวก็ไม่ได้เรียกว่าศูนย์แนละถ้ายังเหลือสักหนึ่งประโยคก็ยังไม่ศูนย์ควาเห็นหลวงพ่อไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเรื่องศีลนะไม่มีศาสนาพุ้นก็มีอยู่แล้วเรื่องสมาธิไม่มีศาสนาพุ้นก็มีอยู่แล้วเรื่องทานไม่มีศาสนาพุ้นก็มีอยู่แล้วนะ ถ้ามไรเรื่องของการเจริญปัญญาศูนยเรเพ่อว่าศาสนาพุทธศูนแล้วละ่ะเพราะมันไม่ได้ต่างกับศาสนาอื่นแล้วงันเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะเพราะอาศัยการเจริญปัญญาอย่างเดียวเท่านั้นเราถึงจะรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจสี่ถ้าไม่มีอรารยสัจสี่ก็ไม่มีศาสนาพุทธนะเงั้นพวกเราเรียนวิธีที่จะทําให้เห็น รูปนามตามความเป็นจริงถ้าเราเห็นรูปนามตามความเป็นจริงได้วันหนึ่งเราจะแจ้งอริยสัจอริยสัจศูนย์ื่าอไหรก็คือศาสนาพุทธศูนย์ไปแต่ว่าท่านที่รู้แจ้งอริยสัจท่านก็นิพานไปนิพานไปแต่ท่านทิ้งร่องรอยก็คือวิปัสสนากรรมฐานไว้ให้เราเดินตามถ้าเรายังเดินตามจเจริญปัญญาได้ เห็นรูปนามตรงตามความเป็นจริงได้วันหนึ่งเราเห็นแจ้งอริยสัจเราก็นิพพานตามท่านไปได้ยังต้องเรียนนะทุกวันนี้คนพูดถึงวิปัสสนาก็ยังมีอยู่แต่มันไม่ใช่วิปัสสนายังจัดคอร์สวิปัสสนานะเอาเข้าจริงก็เป็นสมถะไม่รู้ตัวเลยว่าเป็นสมถะพูดให้ฟังก็รู้นะแต่ว่ามันถอยไม่ได้แล้วขี่หลังเสือไปแล้ว เป็นสำนักวิปัสสนาสระถอยไม่ได้มันกลายเป็นหลอกคนหลอกว่าทํำวิปัสสนาวิปัสสนาไม่ใช่ไปดูการเคลื่อนไหวของมือไม่ใช่ดูลมหายใจไม่ใช่ดูท้องฟองยุบไม่ใช่ดูเท้าที่ยกไปยกมาอันนั้นเป็นดูตัวรูปหรือไปดูตัวนามเพ่งความว่างความนิ่ง เพ่งความรู้สึกเพ่งจิตดันั้ น, นเพ่งนามเพ่งรูปเป็นสมถะเพ่งนามก็เป็นสมถะเงนินดูท้องพองยุบก็เป็นสมถะดูลมหายใจก็เป็นสมถะขยับมือทําจังหวะก็เป็นสมถะนั่งดูเวทนาเพ่งเวทน า, าให้เวทนาดับก็เป็นสมถะนั่งเพ่งจิตให้นิ่งให้ว่างก็เป็นสมถะ มันมีแต่สมถตาทั้งนั้นเลยมีปาสนาไม่ค่อยมีหรอกพระริยาถึงขาดแคลนถ้าเรายัางทำวิปัสสนากรรมฐานกันได้ถูกต้องในเวลาไม่นานเราจะเข้าถึงธรรมะใช้คำว่าไม่นานถ้านานไม่ใช่หรอกเราเราจะเห็นต่อหน้าต่อตา เห็นความจริงของรูปเห็นความจริงของนามเห็นไตรักษ์ของรูปนามต่อหน้าต่อตานี่จิงมันจะดื้อสักแค่ไหนยกเว้นพวกพุทธภูมิกับพวกที่บาปรุนแรงบาปกรรมรุนแรงอย่างพวกทำอนันตรยกรรมหรือบาปรองลงมาพวกด่าพระอริยะพวกนี้พอนาไม่ขึ้นถ้าเป็นพระค้อนมากกว่านั้นอีก เป็นพระเนี่ยถ้าติดอาบัตยิ่งอาบัตแรงๆเนี่ยภาวนาไม่ขึ้นอันนี้รับรองเลยเคยเห็นเวลาอาบัตร้ายแรงนะมันดำปีเลยจิตใจจะแตกแตกกระสับกระส่ายหรือแม่ก็ฟุ้งซ่านไปเลยภาวนามไม่ได้ยิ่งเป็นพระนะยิงก็ลำบากนะ มีเงื่อนไขเยอะประยมด้านหนึ่งดีประยมด้านหนึ่งอันตรายกประยมด้านที่ดีประยมไม่ต้องทำมาหากินมีเวลาภาวนาทั้งวันด้านที่อันตรายคือพระวินัยมีเยอะเลยมีธรรมะก็มีวินยัยของเรามีแค่สี่ห้าเป็นพระก็มีธรรมะวินยัยธรรมะมีทั้งเยอะแยะ ดูยังไงอะไรเป็นธรรมะอะไรไม่เป็นธรรมะดูง่ายนิดเดียวถ้าอะไรที่ทำให้อกุศลลดลงนะแล้วก็กุศลเจริญขึ้นอันนั้นเป็นธรรมะถ้าอะไรทำให้อกุศลเจริญกุศลลดลงนะอันนั้นเป็นอาธรรมดูง่ายนิดเดียวแลอะไรเป็นวินยัยอะไรที่พระพุทธเจ้าให้ทาเราก็ทาอะไรที่ท่านห้ามเราก็ไม่ทา ถ้าเรายึดหลักนี้นะก็ไม่ผิดวินัยหรอกมัง่ายนิดเดียวนเหลือประโยคเดียวธรรมะก็เหลือประโยชนเดียวว่ากุศลหรืออกุศลจะชนะวินัยก็ดูว่าพระพุทธเจ้าสั่งให้ทําอะไรห้ามไม่ให้ทําอะไรก็แค่นั้นเองที่ว่าเรียนกันมากมายนะครีมของมันแก่นของมันมีนิดเดียวนี่จับหลักตัวนี้ได้นะอยู่ได้เงี้ยธรรมะจริงๆนะถึงจะกว้างขวางแค่ไหนนะแต่ถ้าประมวลลงมาเราก็เหลือสั้นๆ ทุกขัวข้อเนี่ยย่อลงมาแล้วเหลือนิดเดียวนะแล้วแต่ละหัวข้อที่นิดเดียวนะกระจายออกไปได้กว้างขวาง ม, มหาศาลเลยอย่างเรื่องอริยสัจเนี่ยกว้างขวางมากกว้างขวางมากถ้ า, า, าย่อลงมาก็สั้นนิดเดียวเมื่อไหรรู้ทุกเมื่อนั้นก็ลาสมุทยัยเมื่อไรละสมุทัยเมื่อนั้นก็แจ้งนิโรธเมื่อไรแจ้งนิโรธเมื่อนั้นแหละเลจริญในมรรค ย่อๆลงมาก็เข้ า, ขานั่นเองสิ่งเหล่านี้คิดเอาไม่ได้ต้องภาวนานะเจริญสติเจริญปัญญาก่อนจะถึงขั้นเจริญปัญญาต้องเจริญสติก่อนเราะฉนในมหาสติปัฏฐานเนี่ยทำไปเพื่ออะไรมหาสติปัฏฐานในเบื้องต้นทําไปเพื่อความมีสติ ในเบื้องปลายทำไปเพื่อความมีปัญญาสติปัฏฐานเป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นนั่นเราพัฒนาที่แรกเรารู้รูปรู้นำนะถนัดอะไรก็เอาันั้นแหหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวเคลื่อนไหวรู้สึกตัวหยุดนิ่งรู้สึกตัวอันนี้รู้รูปเพื่อให้เกิดสติมีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้ เฉยๆก็รู้นี่ก็เป็นไปเพื่อความมีสติโลภขึ้นมาก็รู้หายโลภก็รู้โกรธก็รู้หายโกรธก็รู้หลงก็รู้หายหลงก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้หดหู่ก็รู้หัดรู้บ่อยๆหัดรู้สภาวะการที่เราหัดรู้สภาวะแล้วต่อไปจิตจําสภาวะได้แม่นสติเกิดเองพระสติเป็นตัวรู้สภาวะ อยู่ๆยังไม่เกิดแล้วพามันดูพามดูสภาวะไปเรื่อยเพื่อต้นจงใจดูร่างกายหายใจออกคอยรู้สึกอย่าใจลอยคอยรู้สึกแต่อย่าไปจ้องเห็นร่างกายหายใจสบายๆร่างกายหายใจเข้ารู้สึกอย่าไปจ้องรู้สบายๆร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกรู้สบายๆจิตจำสภาวะของความเคลื่อนไหวได้ ไม่ใช่เราจําได้นะจิตจําได้ระหว่างเราจําได้กับจิตจําได้นี่โคนล้านกันระหว่างเราเข้าใจกับจิตเข้าใจนี่โค่นล้านเลยถ้าเราเข้าใจเนี่ยเป็นเครื่องมือของมารนะนะจิตเข้าใจเนี่ยพ้นจากทุกได้หัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆนะสภาวะทางใจก็ได้คนไหนขี้มโมโหเราก็ดูใจโกรธขึ้นมาก็รู้หายโกรธก็รู้ คนไหนขี้โลภล้วก็หัดรู้สภาวะโลภขึ้นมาก็รู้หายโลภก็รู้ต่อไปพอมันโกรธมันโลภเนะี่ยไม่ได้เจตนาจะรู้มันก็รู้เบื้องต้นะตอวันเดียวหัดอันที่ตัวถนัดที่สุดนะเห็นได้ชัดที่สุดเกิดบ่อยที่สุดคนไหนขี่โมโหก็ ด, กดูจิตโกรธแล้วจิตก็หายจิตโกรธแล้วก็จิตก็หายอย่างเนี้คนไหนมันไม่ค่อยโกรธไม่ค่อยโลภไม่ค่อยหลงมองไม่ออกนะแต่รู้ได้ว่ามีความสุขรู้ได้มีความทุกข์ดูสุขทุกข์ไป ที่เห็นในความสุขเกิดแล้วก็หายไปบางคนทําบุญมาดีมีแต่ความสุขดูยังไงวะแถวนี้มีแต่ความสุขดูสิความสุขไม่คงที่เดี๋ยวสุขมากเดี๋ยวสุขน้อยเดี๋ยวก็สุขมากเลยเดี๋ยวก็สุขน้อยนี่ก็ไม่คงที่ดูอย่างนี้ก็พอแล้วหัดรู้สภาวะไปมีความสุขขึ้นมาก็รู้ความสุขลดลงก็รู้ตรงที่หัดแล้วก็รู้ก็รู้ต่อไปรู้โดยไม่ต้องหัด รู้โดยไม่ได้เจตนาตรงที่รู้โดยไม่เจตนาสติตัวจริงเกิดแล้วเรียกว่าทําสติปัฏฐานเพื่อให้เกิดสติเมืมีสติแล้วมันดียังไงมีสติก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญาพอสติเกิดนะอย่างสราหัดรู้รูปเนี่ยเวลาสติตัวจริงเกิดเนี่ยอะไรเกิดขึ้นก็รู้หมดเลยหัดอันเดียวแต่เวลารู้รู้ได้ทั้งหมดแหละ เมือเราหันดูความโกรธเราขีมโหเราเห็นใจที่โกรธมันก็หายโกรธแล้วก็หายหัดดูอย่างนี้ไม่นานนะเราจะเห็นสภาวะอย่างอื่นด้วยจิตโลภเราก็เห็นจิตฟุ้งซ่านจิตโหดหูจิตอิจฉาจิตเสียใจเเห็นหมดอะ่ะเพราะอะไรมันเกิดอยู่ที่เดียวกันนะมันเกิดขึ้นจากหัตหัถวัตถุขึ้นมากลางอกเนี่ยเนี่ยปริยัตหลวงพ่อเห็นว่าพลาดตรงเนี้ยคิดว่าหัตถวัตถุคือหัวใจ ไม่เห็นมีนามารรมอะไรไปเกิดที่หัวใจเลยอยาทยะตัวนี้แปลว่ากลางไม่ใช่แปลว่าใจอาทยะตัวเนี้มผุดขึ้นมาจากความรู้สึกกลางๆนั่นเองจากถ้าเป็นตัวเราเทียบไปเหมือนกลางอกผุดขึ้นมามรผลก็แหวกขึ้นตรงนี้กิเลสก็ผุดขึ้นตรงกลางอกเนี่นะความรู้สึกที่เป็นนามธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นตรงนี้นิยามของอาทยะวัรูปอาทยวัตถุคือเป็นที่เกิดของนามธรรมจำํานวนมาก เกิดตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นแหละเอาที่พระเจ้าสอนนะชัดเจนดิ้นไม่ออกเลยเนี่ยพอเราเห็นสมมตเราดูความโกรธเกิดดับเกิดดับไปนะต่อไปอย่างอื่นมันก็เกิดที่เดียวกันเนี่ยมันก็รู้ไปด้วยหรือเราเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้านะต่อไปร่างกายหันซ้ายหันขวามันก็รู้ไปด้วยมันรู้ไปหมดอะเรียนอันเดียวที่มีมากที่สุดนะ แล้วเวลารู้ขึ้นมาจะรู้อันอื่นไปด้วยเนี่ยเรียนธรรมะนะเพราะงั้นธรรมะสําหรับคนคนหนึ่งเนะี่ยไม่มากอะ่ะที่ธรรมะมีมากเพราะพระพุทธเจ้าสอนมนุษย์และเทวดาจํานวนมากงั้นหัดรู้สภาวะนะเมื่อต้นหัดรู้ไปพอสติเกิดแล้วมันจะมีความรู้สึกนะเหมือนเราตื่นขึ้นมาใจมันตื่นขึ้นมาสติเกิดปุ๊บ จิตตั้งมั่นอัตโนมัติเกิดขึ้นได้ด้วยนะถ้าสติตัวจริงเกิดนะจิตีะมีสมาธิอัตโนมัติเลยศีลนัตอัตโนมัติก็เกิดจิตจะตั้งมั่นมันรู้มันตื่นมันเบิกบา น, นหลุดออกจากโลกของความคิดความฝันมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวโลกของความเป็นจริงถัดจากนั้นเราก็จเจริญสติปัฏฐานเพื่อให้เกิดตัญญามีสตนะิก็จะได้ศีลได้สมาธิมา สิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องมืออุดหนุนให้เกิดปัญญาศีลเกิดได้ยังไงศีล ส, สัตรูของศีลก็คือกิเลสมันครอบงำจิตนั่นเองถ้าเรามีสติกิเลสเกิดเรารู้ทันกิเลสจะดับอัตโนมัติเลยพวกเรานักปฏิบัติจะเห็นอย่างนั้นกิเลสเกิดขึ้นมาสติเกิดตามปุ๊บกิเลสดับปับ๊บไม่แปลกเลยเป็นเรื่องธรรมดา เพราะถ้าสติจะเกิด น, นะตอนนั้นจะมีกิเลสไม่ได้สติไม่เกิดร่วมกับกิเลสมีกิเลสไปก่อนมีสติรู้ว่ามีกิเลสกิเลสดับไปแล้วในขณะนั้นคนละขณะแล้วคนละวาระละจิตดวงนั้นเป็นจิตที่ไม่มีกิเลสมีสติรู้ทันว่าตะกี้นี้โกรธตะกี้นี้โลภตะกี้นี้หลงมีคำว่าตะกี้นี้จบไปแล้ว นี่หัดรู้หัดดูไปเรื่อยพอชนานาญขึ้นแล้วก็เห็นทุกอย่างมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปถนัดรู้รูปทำกายานุปัสสนาทำยังไงให้เกิดปัญญาือเกิดปัญญาได้นะทำกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาต้องมีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดู งันก่อนที่เราจะถึงขั้นเจริญปัญญาจริงต้องแยกขันได้เรียกนามรูปปริเฉทยานแยกรูปนามรูปส่วนรูปนามส่วนนามรูปเคลื่อนไหวนามเป็นคนดูค่อยค่อยหันรูปนั้นถ้าแยกออกไปละเอียดออกไปได้ก็ยังแยกได้อีกเป็นรูปดินรูปน้ำรูปลมรูปไฟสี่รูปเป็นรูปแท้ๆสี่อันตั้งอยู่ในสเปซเรียกว่าอากาศอากาศก็เป็นรูปอีกอย่างนึง นมามธรรมก็แยกได้สี่คือเวทนาความสุขทุกข์สัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่ววิญญาณความรับรู้อารมณ์หรือตัวจิตนั่นเองรูปก็แยกได้สี่นามก็แยกได้สี่เป็นตัวหลักๆเวลาเรียนไม่ต้องแยกมากขนาดนั้นแยกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นที่จริงแล้วแยกรูปนามรูปนามกระจายออกไปก็เป็นขันห้า ไม่ต้องแยกขันห้าแยกแค่สองขันพอไม่ต้องถึงห้าขันเวลาปฏิบัติจริงไม่ต้องโลบมากแค่สองขันก็ยากแล้วเวลาเราจเจริญกา ย, ายานุปัสสนาะล้วก็ใช้สองขันใช้รูปกับใช้จิตที่เป็นคนดูมีสองอันหนึ่งเวลาเราดูเวทนานุปัสสน า, าจเจริญเวทนานุปัสสนา เราก็มีสองขันดูเวทนาคือความสุขทุกข์จิตเป็นคนดูเวลาเราจเจริญจิตตานุปัสสนานะเราดูสังขารความปรุงดีปลุงชั่วจิตเป็นคนดูเห็นไหมมันมีผู้ดูอันหนึ่งมีผู้แสดงอันหนึ่งแค่นี้พอแล้วถ้าดูผู้แสดงมากนะจะเข้าใจไม่ลึกซึ้งดูตัวหลักๆตัวเดียวเองอย่างถ้าเราจเจริญปัญญา เก็จเจริญสติเนี่ยเพื่อให้ดูดูกายเนี่ยไม่เหมือนกันถ้าเราหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกคอยรู้สึกไปเรื่อยๆนะรู้สึกถึงร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้าฝึกไปเพื่อให้มีสติสิ่งที่แถมมาคือสมาธิแต่ถ้าจะดูให้เกิดปัญญาเราเห็นรูปที่หายใจออกเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดู จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ต่หากมันแยกกันแยกรูปแยกนามถ้าไม่แยกรูปนามนะไม่เป็นปัญญาจริงอ่ะม่เห็นร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูรูปเคลื่อนไหวนามเป็นผู้รู้แยกอย่างนี้ไม่ต้องดูอะไรเยอะหรอกถนัดเอาอะไรก็เอาแค่นั้นรูปมีจํานวนมาก28รูปไม่ต้องดูทั้งหมดนะแ่ว่าเราแค่เห็นรูปยืนรูปนั่งรูปนอนรูปเดินแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องรู้รูปทั้งหมดหรือรูปไหายชจออกหายใจเข้า ที่จริงรูปยืนเดินนั่งนอนให้ยใจออกให้ใจเข้ามันไม่ใช่รูปแท้รูปแท้มันคือธาตุสแต่อาศัยเนาะธาตุสี่ดูยากถ้าไม่ทรงฌานจริงดูไม่ออกนะงั้นที่เราทํากายานุปัสสนาเนี่ที่ท่านสอนมาให้ยใจออกรู้สึกใหายใจเข้ารู้สึกเรื่องธรรมดาธรรมดาไม่ถึงขนาดแยกลงไปเป็นดินน้ําไฟลมหรอกแต่แค่เห็นว่าร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่เราแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องไปแจกแจงมากว่า ร่างกายที่หายใจอยู่ประกอบด้วยธาตุทั้งสีเลยเรื่องมากเกินชีเดเยอะเกินเห็นเท่าที่เห็นได้ถ้าไม่ทรงฌานไม่เห็นธาตุหรอกแต่บางคนทรงฌานท่านก็เลยสอนธาตุในสติปัฏฐานก็สอนธาตุก็มีแต่คนพื้นๆอย่างพวกเรานะแค่หายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกเห็นว่าร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่เราเห็นว่าร่างกายนี้แปรปรวนตลอดเวลา เห็นว่าร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลาหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ยืนก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นั่งก็ทุกข์นอนก็ทุกข์แค่นี้พอแล้วรู้ซื่อๆรู้เท่าที่รู้ได้เนี่ยหัดไปก็เห็นร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูมันจะเห็นอะไรจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็จะเห็นว่าจิตที่เป็นคนดูเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วย เห็นเห็นสองฝั่งเลยนะั้นใช่เห็นอันเดียวอย่าไปจ้องตัวผู้รู้ผู้ดูอย่าไปจ้องใส่รูปที่เคลื่อนไหวรู้มันสบายสบายรู้มันกลางๆแต่อย่าจงใจประคองจิตไว้กลางๆลานะเนี่ยที่ผิดมีหมดเลยเอาจิตไปไว้ที่อารมณ์ก็ผิดเอาจิตไว้ที่ผู้รู้ก็ผิดเอาจิตไว้กลางๆก็ผิดแล้วจิตไว้ที่ไหนไม่ต้องเอาหรอก <laughs> <laughs> จิตไม่มีที่ตั้งหรอกเกิดแล้วก็ดับไปดับไปเน่ค่อยรู้ค่อยดูไปนะ เบื้องต้นก็ได้สติพรามีสติมีจิตตั้งมั่นขันแยกขันแยกได้ปุ๊บก็ดูกายกา ย, ายานุปัสสนาเพื่อให้เกิดปัญญาถ้าดูเวทนานุปัสสนาเพื่อให้เกิดปัญญาก็ mm hmm. เ, าเห็นเลยเวทนานี้อาศัยอยู่ในกายบ้างอาศัยอยู่ในจิตบ้างไม่ใช่กายไม่ใช่จิตเวทนาไม่เที่ยงเวทนาเป็นอนัตตาอย่าไปดูเวทนาว่าเป็นถูกนะตัวนามธรรมาเนี่ยให้ดูอนิจจงอนัตตา ตัวรูปธรรมเนี่ยดูทุกขังอนัตตาง่ายตัวรูปอายุยืนดูอนิจจังยากดูทุกขังอนัตตาถ้าดูนมามธรรมก็ดูอนิจจังอนัตตาเนี่ยค่อยรู้ค่อยดูไปนะถึงวันหนึ่งปัญญามันก็เกิดอย่างดูจิต ด, ดูใจเราก็เห็นสังขารสังขารอยู่วันหนึ่งเคลื่อนไหวแสดงไปจิตเป็นแค่คนดู สุดท้ายก็เห็นว่าสังขารเนี้ยไม่เที่ยงสังขารเป็นอนัตตาจิตก็ไม่เที่ยงจิตเป็นอนัตตาแต่รู้สังขารรู้ความปรุงดีปรุงชั่วของจิตแล้วจะเห็นรูปไห ม, ไมเห็นทําไมเห็นเพราะว่าความปรุงดีปรุงชั่วของจิตเนี้ยอาศัยตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสรวมทั้งอาศัยใจคิด น, นึกโดยไม่อาศัยรูปก็มีส่วนใหญ่ก็อาศัยรูปนะทั้งห้าช่องทาง หรือไม่อาศัยรู้อาศัยจิตอาศัย ส, สัญญาปรุงขึ้นมาเลยปรุงสังขารขึ้นมาเลยเรียกเฝ้ารู้เฝ้าดูนะมันจะเห็นมีสองตัวสังขารแสดงจิตเป็นคนดูทีนี้จิตตานุปัสสนาจะทำมานุปัสสนาพระณนิลึกซึ้งนะลึกกว่านี้เยอะแต่ว่าเราทํากายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนานู่วันหนึ่งจะขึ้นธรรมานุปัสสนาได้เห็นรูปนามไม่ได้เห็นแค่รูปนามแสดงใจลับใน เห็นความเป็นมาของมันแต่ละอย่างแต่ละอย่างรูปกระบวนการงั้นในธรรมานุปัสสนาเนี่ยจะเห็นถึงกระบวนการทํางานถ้ากระบวนการที่ละเอียดประณีที่สุดนั่นก็คือปฏิจจสมุปบาทอริยสัจงั้นไม่ว่าใครจะเจริญอะไรมาก่อนนะโลไทยจะไปแจ้งอริยสัจที่เดียวกันหมดเลยไม่ต้องใจร้อนเนี่ยธรรมะของพระเจ้านะประณีลึกซึ้งขนาดนี้ไม่ปฏิบัติไม่ได้กินหรอก นั่งคิดเอาไม่ได้นั่งเพ่งเอาไม่ได้ไปทำเอาแต่ไปไปปฏิบัติในอิริยาบถกินข้าวไป